ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการบอกเล่านะคะมาจากาเพื่อนรุ่นพี่นะคะซึ่งเป็นพ่อค้าเปิดร้านอยู่ในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งและก็มีประสบการณ์ขนหัวลุกของเขาก็เกิดขึ้นณบริเวณตึกสํานักงานแห่งนี้ด้วยนะคะเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ได้เขียนเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังค่ะบอกว่าเช้ามืดวันนั้น เขาได้เดินทางมาถึงร้านเวลาประมาณตีหครึ่งจากนั้นก็รีบจัดเตรียมหุงหาอาหารแล้วก็เปิดร้านขายข้าวแกงก็เลยต้องจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมขายตั้งแต่ก่อนเจ้าหน้าที่คนแรกจะเดินทางมาถึงในช่วงระหว่างกำลังเร่งมือทำทุกอย่างจนกระทั่งใกล้จะเสร็จเขาก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้เก็บจานซึ่งเจ้าหน้าที่ชั้น5้าขอยืมไปก็เลยคิดจะขึ้นไปเก็บหลังจากจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าจังหวะเดียวกันนั่นเองค่ะ เขาก็เหลือบไปเห็นพี่ดำรงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินผ่านมาบริเวณหน้าร้านก็ร้องทักทายแก่ด้วยความคุ้นเคยมาแต่เช้าเลยนะพี่ดำรงขยันจริงๆพี่ดำรงหันมายิ้มให้โดยไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เดินไปนั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากที่ร้านของอผู้ที่เล่าเรื่องนี้นะคะเขาก็หันไปจัดการกับธุระของตัวเองต่อจนกระทั่งเสร็จก็เดินออกจากร้านตรงไปยังลิฟ ซึ่งอยู่ในตัวตึกสํานักงานเพื่อจะขึ้นไปเก็บจานที่ชั้น5โดยขณะที่เดินออกจากร้านมานั้นเขาก็ยังคงมองเห็นพี่ดํารงนี่นั่งอยู่ตรงม้าหินอ่อนตัวเดิมแต่ว่าคราวนี้เขาได้แต่ยิ้มให้แต่ว่าไม่ได้พูดทักทายแกเหมือนตอนแรกนะคะพี่ดํารงก็ยิ้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับตอนที่เดินผ่านหน้าไปจนกระทั่งเดินไปถึงหน้าลิบแล้วก็กดสวิตซ์เรียกทันทีที่ประตูลิบเปิดอ้าออกเขาบอกว่า เขาแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเมื่อพบว่าภายในลิฟต์ตัวนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีร่างของพี่ดำรงยืนอยู่ภายในจากนั้นแกก็ก้าวออกมาจากลิฟต์เดินผ่านหน้าของเขาไปโดยมีรอยยิ้มมันอ่อนโยนโปรยปลายให้เหมือนเช่นทุกครั้งที่พบกันเขางงเป็นไก่ตาแตกค่ะไม่เข้าใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงก็ในเมื่อเมื่อสักครู่นี้พี่ดำรงก็ยังเดินผ่านมาหยกๆกตอนนี้แกก็ยังนั่งอยู่ม้าหินอ่อนใกล้กับหน้าร้านเพียงเชื่ออึดใจเดียว ทำไมถึงมาเห็นแก่อยู่ในลิฟต์ได้พอคิดได้แบบนี้นะคะก็ได้แต่คิดว่าเออบางทีอาจจะตาฝาดไปเห็นพี่ดำรงก็ยังคงนั่งอยู่บนมาหินอ่อนทั้งที่แกอาจจะเดินขึ้นตึกไปตั้งแต่ตอนก่อนที่จะออกจากร้านมาก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันก็ได้แต่คิดปลอบใจตัวเองนะคะ จนกระทั่งเมื่อเวลาคลืบคลานผ่านไปบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆทยอยกันมาถึงสำนักงานแล้วก็ลงมานั่งทานข้าวที่ร้านพร้อมกับพูดคุยกันถึงเรื่องราวข่าวร้ายที่ตัวของเขาเองเนี่ไม่เคยรู้มาก่อนข่าวนั้นมันทําให้เขารู้สึกว่าเย็นวูบวาบไปถึงสันหลังมือไม้สันเทาตาเบิกโพลงด้วยความตกใจจนแทบลมทั้งยืนข่าวนั้นก็คือเรื่องของพี่ดํารงค่ะประสบอุบัติเหตุรถคว่ำตกเหว ได้ค่ะที่ตั้งแต่เมื่อวานตอนคำ่ำขณะที่จะเดินทางไปประชุมที่จังหวัดระนองนะคะเนื่องจากคนขับรถเนี่ยหลับในรถก็เลยเบนออกนอกเส้นทางพุ่งตรงไปชนกับราวเหล็กคลิกดิ่งสู่ก้นเหวซึ่งก็มีความสูงกว่า50เมตรตอนแรกเนี่ยเขายังไม่ปักใจเชื่อกับข่าวร้ายนั้นเต็มร้อยแต่พอยิ่งตกตอนสายค่ะเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างพูดคุยวิพากวิจารเกี่ยวกับการตายของพี่ดำรง ตัวของเขาก็เลยจําเป็นต้องเชื่อสนิทพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการพบเห็นพี่ดํารงมาทํางานตั้งแต่เช้าตรู่ให้ทุกคนฟังซึ่งทุกคนต่างก็หวาดผวากับประสบการณ์สยองของตัวเขาที่ได้พบเจอมาเมื่อเช้านั้นนอกจากตัวของเขาแล้วในช่วงระยะ7วันหลังจากการตายของพี่ดารงนะคะก็ยังมีเจ้าหน้าที่หลายคนค่ะได้พบกับวิญญาณพี่ดํารงมาปรากฏตัวให้เห็นอยู่หลายครั้ง เพราะว่าแม้แกจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าวิญญาณค่ะก็ยังคงเดินทางมาทํางานตามปกติบางคนถึงกับพั ง, งะเมื่อประตูลิฟต์เปิดครั่วออกมาเห็นพี่ดํารงยืนอยู่ภายในบางคนเห็นแกเดินผ่านแวบไปแวบมาในห้องทํางานแล้วก็บางคนค่ะได้ยินเสียงแกเรียกดังลั่นเมื่อหันกลับไปมองค่ะได้พบเพียงแค่ความว่างเปล่า เรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณเฮี้ยนของพี่ดำรงยังไม่ได้จบลงแค่นี้นะคะเพราะว่านอกจากจะมีคนเคยเผชิญกับวิญญาณของพี่ดำรงเข้าอย่างเต็มๆในสถานที่ทํางานแล้วในงานศพของพี่ดำรงก็มีเรื่องชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นเช่นกันกล่าวก็คือคนในสํานักงานที่ไปร่วมงานศพต่างโจทย์จันกันค่ะว่าพี่ดำรงเนี่ยแกเคยมีเพื่อนรักเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งจบออกมาก็ยังสนิทกันไม่มีเสื่อมคลาย ศพของพี่ดำรงตั้งสวดที่วัดใกล้บ้านที่จังหวัดลบบุรีซึ่งเพื่อนสนิทของพี่ดำรงถาก็รีบเดินทางไปทันทีที่ ท, ทราบข่าวและก็อยู่ช่วยกันจนกระทั่งจัดงานเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยในการสวดศพวันแรกจากนั้นนะคะเขาก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพเนื่องจากว่าไม่สามารถลางานเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันได้โดยตั้งใจแล้วนะคะว่าจะมาร่วมงานอีกครั้งในวันเผาหลังจากตั้งสวดศพครบเจวันแล้วค่ะ คืนนั้นนั่นเองค่ะหลังจากที่พระสวดเสร็จในเวลาประมาณสองทุ่มเศษเพื่อนสนิทของพี่ดำรงเนี่ยก็นั่งคุยกับพ่อแม่ของพี่ดำรงจนกระทั่งเกือบสามทุ่มนะคะก็เลยขอตัวกลับเพราะว่าต้องขับรถไปคนเดียวก็เลยไม่อาจจะอยู่ดึกไปกว่านั้นได้ทั้งที่ในงานเนี่ยยังคงมีผู้คนร่วมงานอีกมากมายและก็หลายคนก็ยังคงอยู่กันจนดึกจนดื่นนะคะ ก่อนกลับค่ะเพื่อนสนิทของพี่ดำรงเดินไปใกล้ๆโ ล, ลงบรรจุศพเพื่อนรักแล้วก็เคาะโลง3ามครั้งพร้อมกับพูดบอกเฮ้ยรงเพื่อนรักกูต้องขอตัวกลับก่อนนะยังไงมึงก็คุ้มครองกูด้วยกูจะได้กลับบ้านด้วยความปลอดภยัยพอพูดจบค่ะเพื่อนของพี่ดำรงคนนี้ที่สนิทกันเนี่ยนะคะก็เดินไปลาพ่อกับแม่จากนั้นก็ขับรถออกจากบริเวณวัดเพื่อมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพนะคะ ในระหว่างที่เขากำลังเคลื่อนรถออกจากวัดค่ะอยู่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นธูปมันเหมือนกับกลิ่นนั้นเนี่ยติดจมูกอยู่ตลอดเวลาตอนแรกนะคะพี่เขาก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะว่าเพิ่งออกจากวัดละกันเพราะว่าซึ่งมันอบอวนไปด้วยกลิ่นธูปกลิ่นควันเทียนกลิ่นนั้นก็เลยติดจมูกก็เลยไม่ได้คิดเป็นอื่นไป แต่ว่าต่อจากนั้นนะคะก็เริ่มสังเกตว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นมันไม่ยอมจางหายไปสัทีทั้งทังที่ขับรถออกจากบริเวณวัดมะไกลาพอสมควรแล้วเขาก็เลยเปิดกระจกเพื่อระบายอากาศประมาณ10นาทีค่ะที่เพื่อนสนิทของพี่ดํารงนี่เปิดกระจกไว้ก็คิดแล้วนะคะว่าน่าจะพอระบายกลิ่นต่างๆได้แล้วก็เลยปิดกระจกแต่ผลมันก็ออกมาเช่นเดิมคุณผู้ฟังนั่นก็คือเขายังได้กลิ่นทูบอยู่คราวนี้เองเขาก็เลยทําให้อ่าความรู้สึก ของเขาเนี่ยได้คิดย้อนกลับไปถึงความผิดปกติชัดเจนขึ้นจนอดไม่ได้นะคะที่จะรู้สึกหวาดหวั่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกค่ะเขาก็เลยเริ่มหวนคิดถึงคำพูดของตนเองที่พูดออกไประหว่างยืนใกล้ๆลงศพพี่ดำรงแล้วก็เคาะลงบอกบอกว่าให้มาส่งให้มาคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่ตัวเขาในตอนขากลับพอคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ขนลุกเกลียวขึ้นมาทันที อดไม่ได้แล้วล่ะหาที่จะเหลียวซ้ายแลขวาตามสัญชาตญาณอันเนื่องมาจากความหวาดระแวงและเมื่อมองยังกระจกส่องหลังเพื่อสํารวจความเรียบร้อยนั่นเองเขาก็ต้องขนลุกวับไปทั้งตัวเมื่อเห็นใบหน้างี่ดํารงเพื่อนรักที่เพิ่งตายจากไปกําลังนั่งยิ้มอยู่ทางเบาะหลังแล้วก็หายวับไปในเสี้ยววินาทีตัวของเขาเองก็พยายามครองสตินะคะแล้วก็เลี้ยวรถเข้าจอดริมทางพร้อมกับพูดขึ้นลอยๆบอกส่งแค่นี้ก็พอและเพื่อนกลับไปเถอะไม่ต้องห่วงกูหรอก จากนั้นเขาก็เปิดประตูรถด้านหลังข้างซ้ายไว้ครู่หนึ่งจึงปิดแล้วก็ขับรถออกมาอีกครั้งด้วยความระมัดระวังนะคะเรื่องราวที่เล่ามาแปลกแต่ก็จริงค่ะเพราะว่าหลังจากเพื่อนสนิทของพี่ดำรงจอดรถให้วิญญาณเพื่อนลงแล้วเนี่ยกลิ่นธูปที่เคยสัมผัสมาตลอดทางก็ไม่หลงเหลืออีกเลยซึ่งนั่นคงหมายถึงพี่ดำรงคงรับรู้แล้วล่ะนะคะว่าเขาไม่ต้องการให้พี่ดำรงนั่งรถไปส่งแม้ว่าตนเองจะได้เคาะลงบอกกับพี่ดำรงไว้อย่างนั้นก็ตาม เรื่องนับเป็นเรื่องฮือฮามากนะคะเมื่อเพื่อนสนิทของพี่ดำรงนี่นำมาเล่าให้คนที่ไปร่วมงานชาปนกิจศพของพี่ดำรงหลังจากตั้งสวดศพไว้7วันซึ่งตัวของผู้ที่เล่าเรื่องนี้เองเนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่เดินทางไปร่วมงานในครั้งนั้นด้วยทีนี้มาฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องแปลกๆที่คุณผู้ฟังส่งเรื่องมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อเวลาประมาณตีสองของคืนนั้นเนี่ยมันทําให้เขาต้องจดจําไปตลอดชีวิต